ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวนได้ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อให้สร้างเตกสูงสองร้อยสามร้อยชั้นหรือพันชั้นต่อให้สร้างยานอวากาศส่งมนุษย์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 เช่นเคยทำมาหากินหาลาบหายุหาสารรเสริญหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกริางกายท่านก็จะหยุดการกระทำเหล่านี้อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็มีลาบมียุมีสรรเสริญ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 นักปราชญ์ที่แท้จริงต้องดำเนินแบบนี้ถ้าเป็นนักปราชญ์แต่ยังแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไม่ใช่เป็นนักปราชญ์จริงเป่นนักปราชญ์ทั้งหลายที่โลกเขายกย่องมีการมอบรางวัลต่างๆให้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 ดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นักปราบแบบนี้จึงไม่ใช่เป็นนักปราบที่แท้จริงเป็นนักปราบปลอมนักปราดจริงต้องเป็นนักปราดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันตาสาคกทั้งหลายท่านเป็นนักปราบที่แท้จริง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 พุ่งเป้าไปที่การทำใจให้สงบก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ใจสงบคยแสวงหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายก็จะเป็นจะต้องยุติ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 ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะทําใจให้สงบจึงจำเป็นจาต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะที่จะคอยยั่วยวนกวนใจทำให้ไม่มีสติไม่มีสมาธิ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 ความจำเป็นเวลาออกมาช่วงเบนทบาทยก็จะสำรวมอินรี่สำรวมตาหูจมูกลินกายด้วยการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะที่ได้สัมผัสรับรู้ให้มีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น คือการเบนทบาทเท่านั้นพอสังเกตเบนทบาทก็รีบกลับสู่ที่ปรีกวิเวกทันทีและขนาดที่ต้องบริโภคอาหารก็ต้องคอยควบคุมกามาฉันทะไว้เพราะว่าเวลาบริโภคอาหาร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 ใจไม่ถูกกามาฉันทะก็จะไม่สบายใจไม่พอใจถ้าได้รับของที่ถูกใจก็จะรับประทานมากเกินไปแล้วก็จะติดอยากจะได้รับประทานอาหารที่ชอบอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารก็เกิดความหงุดหงิดนำขาดใจขึ้นมา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 ท่านกสอนให้เจริญอาหารอปฏิกูลลสัญญาคือให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารในสภาพต่างๆนอกจากสภาพที่มีอยู่ในบาตเท่านั้นให้พิจารณาเวลาที่เข้าไปในปากเวลาเคี้ยวเวลาบดเวลาผสมกับน้ําลาย เวลาเกลืนเข้าไปในท้องและเวลาที่ขับถ่ายออกมาเหล่านี้เป็นอาหารทั้งนั้นอาหารที่มีการมฉันทะเป็นผู้หลงไหลข้างใครอยู่ถ้าพิจารณาแบบนี้การมาฉันทะที่เกิดขึ้นก็จะดับไปหรือ กามฉันทะที่ไม่ได้เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาวิธีฉันของพระท่านจึงฉันในบาตรแล้วก็รวมอาหารทั้งหมดเข้าไปไว้ในบาตรคืออาหารอันใดที่จะเข้าไปอยู่ในท้องท่านก็เอาไปใส่ไว้ในบาตรสมมุติบาตรว่าเป็นท้องแล้วก็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 แล้วก็รับประทานมันอย่างนั้นการรับประทานมันอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีกามัชันทะจะรับประทานอย่างสงบอย่างสบายใจแต่จะไม่มีความสุขเหมือนกับเวลารับประทานด้วยการมัชันทะแต่ความสุขแบบนี้นเป็นความสุขที่เป็นโทษเพราะมันจะทําให้หลงไหลคลั่งไคล้ ทำให้ติดและเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขก็จะไม่พอใจไม่สบายใจก็จะดิ้นหาความสุขแบบนี้การดิ้นหาความสุขแบบนี้ก็จะทําให้ใจไม่สงบดังนั้นผู้ทีต่ต้องการความสงบของใจ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 ผู้ที่ต้องการเล่งความเพียนผู้ที่ต้องการกําจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนมักจะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือเพราะเวลาอดอาหารแล้วนี่ความง่วงเหงาหาวนอนจะไม่มีความเกลียดคร้านจะไม่มีความเพียนจะมาเองเวลานั่งก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่สับประงกต เวลาเดินก็ไม่รู้สึกขี้เกียจไม่อยากเดินจะเดินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจะภาวนาจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเดินจงกรมเมื่อไก็กลับมานั่งสมาธิเวลาใจปรุงแต่งไปคิดถึงอาหารก็ใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง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 อปปนาได้หรือสู่คณนิกะในเบื้องต้นแรกแรกนี้จะเข้าสู่คณนิกะก่อนเข้าแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะรู้สึกมีความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจจนไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นดีใจนั้นได้แต่พอครั้งต่อต่อไปเริ่มรู้แล้วว่าเวลาจิตสงบเป็นอย่างไร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 ถ้าสัมมาสมาธินี้จิตต้องสงบรวมเป็นหนึ่งเอกขตารมุเบคาว่าไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นถ้ายังรู้ยังเห็นอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงอปปนาต้องต้องบริกรรมต่อไปต้องเจริญสติต่อไปจนกว่ามันจะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่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 ถ้าเรายังรักยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังหวงลาบยศจรลเสริญยังหวงรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะชนิดนั้นชนิดนี้อยู่หรื อ, อยังติดอยู่ก็ต้องพิจารณาตาลักในสิ่งนั้นๆให้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันจะเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่ได้เจพไม่ได้สัมผัส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 สามวันเป็นยังไงขึ้นออ่ดพองขึ้นมาเป็นอย่างไรเวลาน่าเฟะแตกสิ่งอวัยวะต่างๆแตกออกมาเป็นอย่างไรน้ำน้ำอะไรต่างๆไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นออกมาเป็นอย่างไรต้องพิจารณาแบบนี้ถึงจะทำให้ดับการอารมณ์ได้จะสามารถอยู่แบบนักบวชรักษาศีนของผู้ปฏิบัติทำได้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 อาสุปาแต่ด้วยธาตุสี่มันก็มีเท่านี้แหละถ้าเห็นทำเหล่านี้แล้วก็จะสามารถที่จะกําจัดทําลายอข้าศึกศัตรูที่คอยขวางกั้นไม่ให้ไปถึงพระนิพพานได้พอข้าศึกศัตรูที่คอยขวางกั้นถูกทําลายหมดแล้วจิตก็ถึงพระนิพพานเองเห็นในที่สุดถึงปรามังสุขขัง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 ในทางสมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาพิจารณ า, าทำทั้งหลายความจริงทั้งหลายเช่นตายรักษ์เช่นธาตุาสี่เช่นอสุภะเช่นอาหาเรเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาไปแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ทำลายข่าศึกศัตรูคือตันหาต่างๆที่คอยสกัดกั้นการให้จิตเดินไปถึงพระนิพพาน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 จะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบใจเราไม่ปุุงแต่งไม่คิดถ้าอยู่ที่ไหนแล้วใจมันนิ่งเป็น อ, อุเบกขาก็ใช้ได้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณสิมีนะครับ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 ก็อย่างที่สอนมาตลอดนี่ก็เป็นการบ่มอินทรีย์ให้เจริญสติสมาธิปัญญาอินรีย์ก็มีอยู่ห้ามีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเราก็มีแล้วถ้าเรามีวิรยิยะเราก็จะเจริญสติสมาธิปัญญาไปพอเราบ่มไปเรื่อยอินทรีย์ก็จะกลายเป็นพละขึ้นมาเป็นพลังขึ้นมาพอเป็นพลังแล้วก็เทนิกิเลตก็ตายหมด มันไม่ตายด้วยอินทรีย์แต่มันจะตายด้วยพลังเราจึงต้องบ่มอินทรีย์ให้กลายเป็นพลังขึ้นมาจากอินทรีย์ห้าให้มันเป็นพละห้าคำถามข้อต่อไปจากคุณไก่นะครับผมได้นั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธ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 ถ้าเรามีสติมันพอมันคิดเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันก็จะคิดได้งั้นขอให้เราประคับประคองสติไว้ให้ดีเวลาที่ไม่มีลมแล้วก็ให้อยู่กับความว่างไปอยู่กับความไม่มีลมไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเองอย่าไปก้านหาลมถ้าลมไม่มี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 กาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามวิธีการฝึกอัดถิกสัญญาว่ามีขั้นตอนการฝึกอย่างไรบ้างคะอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยต้องไปถามอาจารย์กูเก้าแล้วนะคำถามข้อต่อไปจะคุณวิเชียนนะครับผมขอเรียนถามว่าสมัยพุทธกาลพระพาหิยะ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 คือความจริงการเล่นการปรนันให้ไม่ผิดศีล น, นะมันไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในศีลห้ามันเป็นอยู่ในอบายอบายห้าอบายนี้เป็นการกระทําที่จะนำไปสู่การกระทําบาปต่อไปเช่นเล่นการปรนันแล้วขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อกู้เขาแล้วก็ไม่สามารถใช้เงินก็ได้ถ้าถูกข่มกู่มากๆก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์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 ว่าจะได้ไม่มีสติที่จะไปะยับยั้งความคิดที่ดีความคิดที่จะมา ห, ากหักข้ามการกระทาบาปได้ฉะนั้น <c oughs> เรื่องของการมานันก็มันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนซกันและกันหรือจะมอง อ, อีกมุมหนึ่งก็คิดว่าเป็นการอาแบ่งปันกันก็ได้เออแล้วก็ถือว่าดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันเออ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 หมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงคนอื่นว่าจะขอยืมเงินแล้วก็ไม่รู้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ายืมมาแล้วก็คงจะไม่ได้ใช้หรือไม่เช่นั้นก็ต้องไปลักขโมยหางเงินมาเล่นเพราะว่าการเล่นการพนันนี่ยมันโหดร้ายกว่าการให้ขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมันก็ไปได้แค่ทรัพย์สินแต่บ้านมันเอาไปไม่ได้แต่เล่นพนันนี้เจ๊งมันก็ขายบ้านได้ ไฟไหม้บ้านก็ยังยังไม่ร้ายเท่ากับการเล่นการมานันเพราะไฟไหม้มันก็ไหม้แต่บ้านมันไหม้ที่ไม่ได้แต่เล่นการมานันนี่มันขายหมดเลยแล้วนอกจากขายบ้านขายที่ดินแล้วขายตัวขายชีวิตอีกไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วใช้เขาไม่ใช้เขาไปเจอคนที่มีที่พนเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าลอยหรือไม่งั้นเรต้องหนีเขาไปฆ่าตัวตายกันก็มี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 เก็บมาได้มากได้น้อยก็หัดเก็บเอาไว้สำรองเอาไว้พอมีจํานวนมากก็เอาไปลงทุนเพิ่มเติมต่อไปมันก็ร่ํารวยขึ้นมาได้แเราก็ไปศึกษาประวัติของคนร่ารวยทั้งหลายเขาทําแบบนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้เล่เขาไม่ได้รวยเพราะการเล่นการพนันแม้แต่รายเดียวเขารวยเพราะเขามีความขยันทํามาหาเกินขยันเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทองที่เขาหามาได้เห็นไหมคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยนี่ปีหนึ่งก็หยุดการกี่วัน สามวันสี่วันตุ๊จจีนเนี่ยนานั้นทําหมดเลยเขาถึงร่ำรวยกลายเป็นเจ้าสัวขึ้นมากัน อ, อันนี้แหละเราควรจะศึกษาประวัติของคนเหล่านี้แล้วไปดูได้มีประวัติของคนที่เล่นการพานาันแล้วร่ำรวยขึ้นมาไหมมีไหมวันนี้คําถามน้อยเละ โบนจ้าอาจารย์ครับแล้วอาชีพปล่อยเงินกู้กครับอาจารย์หากาปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่มาตรฐานทั่วไปอย่างเงี้ยเป็นบาปไหมครับแล้วถ้าหากปล่อยเงินกู้ในดอกเบีย้ยที่สูงจนคนอื่นเดือดร้อนก็บาปเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาผลตอบแทนมาก ห, หน้อยถ้าเรากู้โดยที่ไม่มีดอกเลยเราก็เป็นได้เท่ากับได้ทำบุญสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาก็ เ, เดือดร้อน เขาต้องการเงินแต่เราไม่คิดค่าบริการเงินที่เราให้เขายืมไปอย่างนี้ก็เป็นการทําบุญเพราะว่าเราเหมือนกับเราไม่ต้องการเอาดอกเราเอาดอกนี้ให้เขาคืนเขาไปก็เหมือนกับเราได้ทำทานนะนั่นการกู้เงินการให้กู้เงินนี้ก็มีทั้งแบบเทวดาให้กู้หรือ Uh, <laughs> อะไร <laughs> ผู้ร้ายให้ <laughs> เรียกว่า <laughs> เปรดให้กู้ถ้าเปรดก็จะเอาเอาดอกเยอะๆร้อยละสิบนี้ต่อเดือนนะไม่ใช่ร้อ <laughs> ยละสิบต่อเดือนอย่างนี้ก็เรียกเปรดเปรตให้กู้ไม่มีความเมตตาร้อยความเมตตามีแต่ความโลภอยากจะได้เงินของเขามากๆโดยไม่คิดถึงหัวอกหัวใจเขาบ้างว่า